ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการสาธยายธรรมานุปัสสนาซึ่งเป็นบทใหญ่ซึ่งบทแรกนี้ว่าด้วยการแก้ปัญหาว่าในช่วงที่เราปฏิบัติในสมบทแรกนั้นปัญหาคืออะไรบ้างเราจะรู้จักธรรมานุปัสสนาแล้วเราจะรู้วิธีแก้ปัญหาซึ่งในบทว่าด้วยธรรมานุปนัสสนาจะเป็นบทที่แก้ปัญหาหลายระดับปัญหาระดับต้นที่สุดที่เราจะสวดลําดับต่อไปนี้นะ กะทันจะพิกเวพิกอุทมเมสุธรมานุปัสีวิหาราติพิกสู่ทั้งหลายพิกสู่เป็นผู้มีปกติพิจะระนาหินธรรมในธรรมทัท้งหลายอยู่นานเป็นอย่างไรเล่า อิดาภิกขาเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ทําเมสุทํามานุปัสสิเวหาราติเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายปัญจสุนิวารเนสุ อืนิวอนห้าอย่างกาทันจาพิกาเวพิกูธรรมเมสุธรร ม, มานุปัสสีวิราตีมพิกสุทั้งหลายปิกสุเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายอืิวอนห้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรเรา อิดาพิขาเวพิกุลเบกสูทั้งหลายเิกสูในศาสนานี้สันตังวาอาชาตังกามาชันตังอาทิเมอาชาตังกามาชันโทติปาชานาติ ยอมรู้แจ้งชัดซึ่งความพอใจในกามอันมีอยู่ภายในจิตก็ตามว่าความพอใจในกามภายในจิตของเรามีอยู่อสันดังว่าอชัตดังตามที่เมื่อชัดดังกามาฉันโทติปาชานาดี รู้แจ้งชัดซึ่งความพอใจในกามอันไม่มีอยู่ภายในจิตก็ถาว่าความพอใจในกามภายในจิตของเราไม่มีอยู่ญาติจ่าอนุปันนาสักามาชันทาสาอุปาโทนิก็แลการบังเกิดขึ้นแห่งความพอใจในกาม ที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรตัณจะปะช า, าทีเธอรู้แจ้งชาซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นนั้นด้วยยาทาจะอุปันนสสะมาชันทาสะปะหานังโหตี การละความพอใจในกรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรการจัปาชานาทีเธอรู้แจ้งชาซึ่งการละนั้นด้วยยาทาจาปปหินาสากามาฉันทาส า, ายาติงอนุปะ โมตยการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งความพอใจในกามที่ละได้แล้วมีได้ด้วยอาการอย่างไ ร, ท, ราาทันจะไปชานะดีเธอรู้แจ้งซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปนั้นด้วยสันตังวาอาจจะดังพยาปาทันจะ ความอึดอัดขัดเครื่องด้วยที่นามีทันจะความง่วงเหงาหดหูด้วยกูกูจันจะความฟุ้งซ่านลำคานใจด้วยวิจิกิจันจะและความลังเลสงสัยด้วยอันมีอยู่ภายในจิตก็ตามว่า อาทิเมอาจัตดังพยาปาโทจาความอืดอากาศเกลื่องด้วยทีนามิทันจาความง่วงเหงาหดหูด้วยอุทาจักกุกจันจาความฟุ้งซ่านลำคาญใจด้วยวิจิกิชัจจ์ตีปัญจนาติ และความลังเลสงสัยด้วยภายในจิตของเรามีอยู่อาสันตังวาอาจจั ด, ดังพระยาปาทันจารู้แจ้งชัดซึ่งความอืดอัดขาดเกลื่องด้วยที่นามิทันจาความง่วงเหงาหดหูด้วยอุทาจากักกูดจันจาความฟุ้งซ่านลำคาญใจด้วย อ่านไม่มีอยู่ภายในจิตก็ตามว่านาทีเมอาจะตังพยาปาโทจาความอึดอาดขาดเครื่องด้วยอีนามิทันจาความงว่วงเหงาหดหู ด, ด้วยอุทาจักกูกุจันจาความ ฟุ้งซ่านลำคาญใจด้วยวิจิกิจาจาจิตปาชานาดี ส, สงสัยด้วยภายในจิตของเราไม่มีอยู่ยาถาจะาอนุปนัศสกยาปัฏฐานะาแต่การไม่บางเกิดขึ้นความอึดอาจขาดเครื่องด้วย มีทัศชาความม่วงเหงาหดหูด้วยอุทาชากูกจชาซาชาความฟุ้งซ่านลำคานใจด้วยบาฮินายาวิจิกิชายะอาญาจิงนุปปัโทตีใจด้วยที่ละได้แล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างได ท่า น, นจะปาชานาดีเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นต่อไปนั้นด้วยอิอจฉาดังทำมิมสุธรรมานุปศิวลีลาดีด้วยหาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็น ปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในบ้างปาหิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิเวหาลาตีในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอก บ, บ้างอา จ, จ่าดาปหิทาวาธรรมเมสุธรร ม, มานุปัสสิเว ดีในธรรมทัท้งหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้างสามุตยัยธรรมานุปัสสีวาธรเมสุวีราตีและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเกิดขึ้นในธรรมบางวายธรรมานุปัสสีวาธรเมสุวี ราติยเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสาวูทายวยธรรมานุปัสสิวาธรรเมสุเวราติยเห็นธรรมทางอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบางอาธิธรรมาติวาปน า, าสสติปัจจุปาถิตาโหติ ก็และสติคือความระลึกว่าธรรมมีดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาวะเทวะยานามตายาเพียงเพื่อรู้ปฏิสัตธิมาตายาเพียงเพื่อไสยระลึก สิโตจาวิหาราติที่แท้เธอเป็นผู้ที่ดันและทิ่ทีอาศัยไม่ได้น่าจากินจิโลเกอุปาทิยาทีเธ อ, อไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวามปิโคิี ข, ขเวพิคูธรรมเมสุธรรม นุปาสิวิหาราติยมภิกษุทั้งหลายนี่แหลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิและนาหินธรรมในธรรมทั้งหลายปัญจสุนิวารเนสุคือนิวรหายังอยู่ความสงบสักพัก ปุนาจัปรังภิกขเวภิกขุไมกสู่ทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมีอยู่อีกอะเมสุธรรมานุปาสวิเวหาติ พิกสูเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายปัญจะสูปาท า, านาขันเทสูคืออุปทานขันห้ายางจะาทันจาพิขาเวพิกุธรรมเมสุธรรม ฮาราตียมภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายปัญจสุปาทานคาันเดสุคืออุปาหันขันห้ายอย่างนั้นเป็นอย่างไรเรา อิดาภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ยอมพิจารณาเห็นว่าอิติรูปังรูเป็นอย่างนี้อิติรูปัยสัสมุททโยเหตให้เกิดรูเป็นอย่างนี้ อิติรูปายสะอาทั้งขโมความสลายของรูปเป็นอย่างนี้อิติเวทนาเวทนาเป็นอย่างนี้อิติเวทนายสมุททยวเวทนาเป็นอย่างนี้อิติเวทนายอาทังขโม ความสลายของเวทนาเป็นอย่างนี้อิติสัญญาสัญญาเป็นอย่างนี้อิติสัญญาญาสมุทะโยเหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างนี้อิติสัญญาญาธรรมขโมความสลายของสัญญาเป็นอย่างนี้ อิติสังขาราสังขารเป็นอย่างนี้อิติสังขารานางสมุทโยเหตุให้เกิดสังขารเป็นอย่างนี้อิติสังขารานางอาทังกโมวความสลายของสังขารเป็นอย่างนี้อิติวิญญาณางวิญญาณเป็นอย่างนี้ อิทิวิญญาณาสาสมุทรโยเหตให้วิญญาณเป็นอย่างนี้อิติวิญญาณาสาทั้งขโมวความสลายของวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้อิติอาจัตตังวาธเมสุธร ม, มานุปัสิว ราตีพิอาการอย่างนี้ที่พิกษุเป็นผู้มีปกติพิกระณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในบ้าง้าหิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิราตีในธรรมทั้งหลาย นอกบางอาจัดดาภิทาวะธรมเมสุธรรมนุปัสสิวหาราตีในธรรมทั้งหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบางสามุตัยะธรรมานุปัสีวาธรรมเมสุเวราตีและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรม เกิดในธรรมบางวายะธรรมานุปัสสิวาธรรเมสุวิรติยะเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสามูตายวายะยธรรมานุปัสสิวาธรรเมสุวิรติยะเห็นธรรมท้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบ้าง อาธิรมาติวาปนาสสติปัจุปาติโมติยงก็แลสติคือความระลึรว่าทธรรมมีอยู่ดังของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาวะเทวยาณามตายาเพียงเพื่อรู้ ปฏิสติมาตายาเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิตโตจาวิหารติที่แท้เธอเป็นผู้ที่ดันหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้น่าจากินจิโลเกอุปาทิยาติ ในอาลัยในโลกนี้เอาวามปิโคภิกาเวภิกขุธรรมเมสุตัมานุปาสีวิปารเทียมภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาหินในธรรมทั้งหลายปัญจสุปาท t อันเทสุคืออุปาทันการหาอย่างอยู่ความสงบอุณาจะปรังพิฆเวพิควรบิสุทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมีอยู่อีกอมเมสุธรมมานุปัสสิเวห า, าติ อิกสูเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายธรรมสุอาจัตติกาฟาหิเลสุอายะตะเนสุคืออายะตาภายในและภายนอกหกอย่างกาทันจ่าพิกาเวพิกุทัมเมสุธรรมานุปัสีวี ราตีอภิสุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติผิดะณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายชะสุอาจติกาภาหิเลสุอายะตาเนสุคืออายะตานาภายในและภายนอกหกอย่างนั้นเป็นอย่างไรเรา อินดาพิขเวพิกลมิกสุทั้งหลายมิสุในศาสนานีอยากคุณจะปาชานาติยรูแจงชาซึ่งตาด้วยรูเปจะปาชาาติยรูแจงชาซึ่งรูปทั้งหลายด้วย ยัญจะตุบายังบาติจาอุปชาติสัญโยชาตันจะปาชานาติจารู้แจงชาซึ่งสัโยนตคือกิเลสเป็นเครื่องผูกอันอาศัยตาและรูทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วยโซตันจาปัญนาติสัตเทจปาชานาติ รู้แจ้งชัดซึ่งหูด้วยรู้แจ้งชัดซึ่งเสียงทั้งหลายด้วยยันจะแตทุกพระยังปฏิจจุปัตชะติสัญญยชนนั้นจะปฏิจจารู้แจ้งชัดซึ่งสัญญาอันอาศัายหูและเสียงทั้งสองอย่างแล้วบางเกิดขึ้นด้วย อาณัจะปาชานาติกัรเทจปาชานาติซึ่งจะหมูด้วยรู้แจ้งชาซึ่งกินทั้งหลายด้วยยันจะตทุพยัญปฏิจาอุปาชาติสัญโยชานำดันจปาชานาติจารู้แจ้งชาซึ่งสัญโย อาศัยจาหมูกและกินทั้งสองอย่างแล้วบางเกิดขึ้นด้วยเที่ยวหันจากปัาณาติราเสจานาติ ร, าาตรู้แจ้งชาซึ่งลิ้นด้วยรู้แจงชาซึ่งรสทั้งหลายด้วยหันจากอาทุพยังปฏิจะจะชาติสัญโยาชานังตันจากปัาณาติจา รู้แจ้งชัดซึ่งสัญญอดานอาศัยดินแลนระรถทั้งสองอย่างแล้วเกิดขึ้นด้วยกายญาปาชานาติโพธาเพจาปาชานาติรู้แจ้งชัดซึ่งกายด้วยรู้แจ้งชัดซึ่งสิ่งที่ถูกต้องกายทั้งหลายด้วย ยันชาตาทุกยังปฏิจาอุปชาติสัญญชนาตันจชานาณติจารู้แจ้งชาซึ่งสัญญอดอันอาศัยกาและสิ่งที่ถูกต้องกายสองอย่างแล้วบางเกิดขึ้นด้วยมืัอนันชาภาชาติทมเมชาภาชาณติ รู้แจ้งชาซึ่งใจด้วยรู้แจ้งชาซึ่งอารมณ์ที่เกิดกับใจด้วยอ้วเยดันจาจ่าทุพยังปฏิจาอุปัชติสันโยชาดันจ่าปัจานาติชา รู้แจ้งชาดซึ่งสัญญอดอันอาศัยใจและลมที่เกิดกับใจทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้ว ย, ยจะอนุปันนาสสะสัญญชนาสสะอุปัทโหตดอการบังเกิดขึ้นแห่งสัญญอดีอย่างไม่บังเกิดขึ้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร การจะปาชานาตีเธอรู้แจ้งชาซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นดยอย่ยาทาจะอุปานาสสะสัญโยชนสาสะปะหานังโหตีการละสัญโยที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร อันจะปาชนานเดียเธอรู้แจ้งชาซึ่งการลานั้นด้ว ย, ยาบายนาสะสัญโยชนาสะอาญาดิงอนุปาทโทติการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโยที่ลาได้แล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ปัญชานาเดียนเธอรู้แจ้งชัซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปนั้นด้วยอิติอาชะตังวาธรรมเมสุธรรมานุปัสิวิหารตีด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิดขณาเห็นธรรมในธรรมธรลมไอันเป็นภายในบาง พระหิทาวาทมเมสุธรรมานุปัสีเวิระตีในธรรมธรรมไรอันเป็นภายนอกบ้างจดะด่าพระหิทาวาทมเมสุธรรมานุปัสีเวิระตีในธรรมธรรมไรธรรอันเป็นภายในและ นอกบางสามุทายธรรมานุปาสีวาิวะธรรมเมสุวีระตีและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมขึ้นในธรรมบางวายธรรมานุปาสีวาิวะธรรมเมสุวีระตีเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบาง สามุทัยวายธรรมานุปสิวาธรรมสุวีระดียเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบางอาธิธรรมาติวาปนาสสติปัจุปาธิตาโหติก็แลสติคือความระลึกว่าธรรมมี ดังนี้ของเธอานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ญาะเทวยานมัตตายเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมัตตายเพียงเพื่ออาศัยระลึกนาทีที่อาศัยไม่ได้ อังจีโลเกหุ ป, ปาติยาติยเธอไม่ ย, ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวังปิโคภิกาเวภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิระติยภิกขุทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายชาสุอชาชติกาพาหิเรสุอายะตาเนสุคืออายะตานาภายในหกอย่างอยู่สงบสักพักหนึ่งหมวดที่สี่หน้าหนึ่งรอยหนึ่ง นับประทัดล่างนะหนึ่งประทัดล่างปุณจจะปรังพิกเวพิกูนพิสูทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมีอยู่อีกธรรมสูตธรรมานุปาสีวิหารตาิพิสูเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลาย สัตสุขชังเคสุคือองค์แห่งการรู้แจ้งเจ็ดอย่างกาทันจะภิกขาเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานีธรเมสุธรรมานุปัสสิวิหาราติ เป็นผู้มีปกติวิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายสาสุโพธชังเคสูวคือองค์แห่งการรู้แจ้งจิตอย่างนั้นเป็นอย่างไรเรา อินดาพิกาเวพิกุลมิสูทั้งหลายมิสูในศาสนานี้สันตังวาอาชาตังสติสัมโพชังคังยอมรู้แจ้งชัดซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้ อาธิเมอาชาตังสติสัมโพชังโคติปะชานาติอันมีอยู่ภายในก็ตามว่าองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้ในภายในของเรามีอยู่อาสันตังวาอาชาตังสติสัมโพชังคัง ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้นาทีเมอาจจะดังสติสัมโพชฌมโคติปาัชานาดีอานไม่มีอยู่ภายในตนก็ตามว่าอง คือความระลึกได้ในภายในของเราไม่มีอยู่ยาถาจะอนุปั น, นาาสัสสติสมโพจังคาาัสสุปโทโติการติคือความระลึกได้ที่อย่างไม่บางเกิดขึ้น อาการอย่างไรตันจะปะชาณียเธอรู้แจ้งชาซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วยยาถาจะอุปนาัาสสะสติสัมโพชคัสสะะภาวนาปริปุเรตี การเจริญบริบูรณ์ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระรึกได้ที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรปัจจ า, า, านาตีเธอรู้แจ้งชาซึ่งการเจริญบริบูรณ์นั้นด้วย สันดังว่าอาจาตังอรรมวิจัยยาสัมโพชฌังขันจายอมรู้แจ้งชัดซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความขันจักคือการูแจ้งคือความเป็นรู้วิธีสัมโพชฌังขันจ้าองค์แห่งการรู้แจ้งคือความ ใจด้วยปัสสันติสัมโพชฌังคันจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยมาดีสัมโพชฌังคันจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิต ด, ด้วยอุเบกขาสัมโพชฌังคันจา องแห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางความเป็นจริงด้วยอาจที่มอาชัดตางอานมีอยู่ภายในก็ตามว่าอามาวิจัยยาสัมโพชัง องแห่งการรู้แจ้งคือการเฟ้นธรรมด้วยเวเรียสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้แจ้งคือความเฟ้นธรรมด้วยปิติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้แจ้งคือความหิ่มใจด้วย ภาสัตทีสัมโปชัญโคนองแห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยสัมมาทิสัมปชัญโคนองค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมันของจิตด้วยอุเบกขาสัมโปชังโคนที่ชานะตี องแห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยใ น, ในของเรามีอยู่อสันตังวาอจตังธรรมวิทยสัมปชังคันจารู้แจ้งชาซึ่งองแห่งการรู้แจ้งคือการเป็นธรรมด้วย ปิเรียสัมโปชังญกัรจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วยปิติสัมโปชังญกัรจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความอิ่มใจด้วยปัสสติสัมปชังญกัรจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วย สมาธิสัมปชัญญะจาองค์งแห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วยโอเบคาสัมปชัญญะจาองค์งแห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นาความเป็นจริงด้วยนาติเมอา จ, จตาง กันไม่มีอยู่ภายในตนก็ตามว่าธรรมวิทยาสัมโพชังโคนองแห่งการรู้แจ้งคือการเป็นธรรมด้วยวิริยาสัมโพชังโคองแห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วย สติสมบทั้งคนองค์แห่งการรู้แทงคือความบ่มใจด้วยปัสัติสัมบทั้งคนองค์แห่งการรู้แจงคือความสงบใจด้วยสมาธิสัมบทั้งคนองค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วย อุเบคาสัมพชังโกติปัานาตโองค์แห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางพรรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยในภายในของเราไม่มีอยู่ญาธาจาอุปนัสสาธรรมวิทยาสัมปังคาสัจ และการบังเกิดขึ้นซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพ้นธรรมด้วยวิริยะสัมโพชังคัสจารม์องแห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วยปิติสัรรมโพชังคัสจารม์องแห่งการรู้แจ้งคือความิ่มใจด้วยบาลสัตติสัมโพชังคัสจาร องแห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยสามาธิสัมปชังคัสสจางองแห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วยบุเบคาสัมปชังคัสสจาอุปัทโหเทียมองแห่งกา ร, ร คือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรตันจปะปัชาะนาตีเธอรู้แจ้งชาซึ่งการเกิดเกิดขึ้นนั้นด้วยยาทาจะอุปนัสสะธรรมวิจยาสัมโพชังคัสสะ การจะเดิญบริบูรณ์ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพ้นธรรมด้วยเวริยาสัมโ و ชจังคัสจางองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วยยมติสัมโพชจังคัสจางองค์แห่งการรู้แจ้งคือความหยิ่มใจด้วย ปัสสัตยสัมโปชังกัจฌาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยสมาธิสัมปชังกัจฌานองค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วยโอเบคาสัมปชังกัจฌาอุปาทโหติ องแห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางพอรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยที่บังเกิดขึ้นแล้วยอมมีอย่างไรตัญจะระชานาเทียเธอรู้แจ้งชาซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วย ยิติอาจตังวาธรเมสุธรรมานุปัสสิวิหรตีด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติวิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในบางไรทาวาธรรมสุธรรมานุปัสสิวิหรตีในธรรมทั้งหลายอัน เป็นภายนอกบางรานชาตตาพายทาวาธรมเมสุธรรมานุปัสสิวในธรรมทั้งหลายทั้งนั้นเป็นภัยในและภายนอกบางสามุ ท, ยทัยยะธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุวิหาราติและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรม กานเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบังวายธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารตี เ, เ, เห็นธรร ม, ม, รมร อ, ดดอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสมุทัยยวายธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารตีเห็นธรรมธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบาง อดีิธรรมะิีว่าปัณณสติปัจจุปันปิตาโหติแหลสติคือความระลึกว่าธรร ม, มีอยู่ดังนี้ของเธอนัน้นเป็นสติยาวาเทวายานัมตายาเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมตายาณ เพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิตโตจาวิหรตทนทีทท่เธอเป็นผู้ที่ันหาและที่ทีอาศัยไม่ได้นะ่าจะกินจิโลเกหุมาทิยาตีเธอไม่ยึดมันอะไรอะไรในโลกนี้ เ ว, เวงวีโคพิกเวพิโคธรร ม, มสุธรรมานุปาสิวิหรารติพิกสุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายสัตตสุโพชังเคสวนคือองค์แห่งการรู้แจ้งเจ็ดอย่างอยู่ Mmm. -hmm.